แต่ท่านก็สอนทางฝ่ายปริยัตแต่ตัวของท่านเองท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติรู้มกักสำเร็จมักผลแต่ท่านก็สอนตุกชิ์ลูกหาที่ได้เรียนรู้มาอย่างไรท่านก็สอนไปแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นอุปนิสัยของพระโพธิรัตน์ว่าพร้อมที่จะสำเร็จมกักสำเร็จผลได้ ถ้าว่าท่านสําเร็จมรรคสาเร็จผลได้ท่านในถ้าท่านในสำเร็จแล้วทางด้านได้ทางจิตใจ ไ, ได้ทางความรู้ภายนอกท่านจะเป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสี้แจงทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่นี่โพธิรัตน์ท่านเหมือนกับท่องบุ้งหรือกระดาษทรายชอบขัดแต่คนอื่นแต่ตัวเองครูขระยังไม่เตรียบรา่ายังไม่ราบรื่น พระนั้นผู้โตองค์เห็นอุปนิสัยของท่านเวลาโปธิรัตทัทธิระโปธิรัตเข้ามากราบท่านก็บอกว่าโปธิรัตโปธิรัตแปลในความหมายก็ว่าท่านใบลานเปล่าใบลานเปล่าเปล่าไม่ใบลานไม่มีหนังสืออย่างนั้นอ่ะใบลานเปล่าโปธิรัตโปธิรัตใบลานเปล่าพอเข้าไปกราบที่ไรกราบ พ, พ, พระพุทธเจ้าทีไรพระพุทธเจ้าก็ทักทอย่างนั้น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 แล้วก็มีสัมมาเนน้อยองค์หนึ่งท่านก็เข้าไปกราบพระเถระที่มีอายุพรรษามากกว่าท่านบอกว่ากระผมขอเรียนกรรมาฐานจากท่านแต่ทั้งที่ท่านก็เรียนจบพระไตรปิฎกแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแก้กิเลส ข, ของท่านนี่แหละสรุปแล้วก็คือที่โบ ร, โบราณเขาบอกว่ า, วาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดในลักษณะอย่างนี้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 เรียนรู้ปไตยปิฎกมาจบปริบุญสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งมากมายอาจารย์น่าจะเก่งกว่าพวกผ ม, มรู้กว่าพวกผมแล้วอาจารย์ยังจะมาเรียนมาศึกษาอะไรกับพวกผมอีกแต่ท่านอาจารย์ก็ยอมบอกว่ากับผมบเรียนสอนจริงอยู่เรียนรู้จริงอยู่สอนลูกศิษย์ลูกหาจริงอยู่แต่ในภาคปฏิบัตินั่งกับผมอย่างย่อหย่อนยังไม่สามารถที่จะชําระใจของตนตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ จุดนี้เป็นจุดที่กระผมจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นจริงๆนะแต่ท่านพระเทราท่านก็ฉลาดก็ยังวา่าไม่ใช่อุปนิสัยที่จะสอนองค์ของท่านที่จะสอนได้ท่านก็เบี่ยงบายไปให้องค์ที่สองไปเรียนจากองค์ที่สองนะองค์ที่สองเขาเก่งนะไม่เก่งได้ยังไงถ้าเป็นพระอรน์เหมือนกันไงถ้าไงเก่งนะพร้อมที่จะสอนได้ ไปหาองค์ที่สองถอะนะครับอาจารย์แล้วก็ให้โปรเทลัดไปเรียนองค์ที่สององค์ที่สองก็ถามอีกเบี่ยงไปองค์ที่สามอองค์ที่สามก็เก่งนะเก่งในเป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็เบี่ยงไปองค์ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดจนผลสุดท้ายไปถึงเนนน้อยไปถึงเนนน้อยเนนน้อยก็เป็นพระอรหันต์อีกแต่เนะพระองนั้นก็บอกว่าไปหาเนนน้อยเนนน้อยก็เก่งนะก็ไม่เก่งไงเพราะเป็นเนนน้อยก็เป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกัน ถึงจะเป็นเนนน้อยกว่าจริงอยู่แต่จิตใจของท่านเป็นมหาเถระเหมือนกันแถอท่านก็ไปกราบอีกไปหาเนน้อยอีกเนนสอน อ, อ, อาจารย์ด้วยนะสอนผมด้วยในภาคปฏิบัติเนนน้อยกขาบอกว่า อ, อาจารย์เรียนจบพระไตรปิฎกแล้วจะมาเรียนศึกษาอะไรจากผมผมก็เรียนลกลงมือปฏิบัติท่านเองให้แตกฉานในอัดในธรรมในปริยัตินั้นผมก็ไม่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 พระธีละก็เดินตำหลังเนน้อยไปพอไปถึงเน้นพอไปถึงใ น, ป, งในป่าข้างทางมันเป็นป่าทั้งสองฝากทางอเนนน้อยก็ลองอาจารย์เลยอาจารย์เข้าป่าเลยสิเหมือนแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าทําไมให้ให้เราเข้าป่าเนนน้อยมีเหตุผลอะไรอาจารย์ไม่ถามเนนน้อยก็ไม่ให้เหตุผล บอกอาจารย์เข้าป่าเจ้อาจารย์าอาจารย์ก็เดินเข้าป่าช่วงช่วงเข้าไปในป่าเข้าไปเลยอาจารย์อาจารย์กลับมากลับมาก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรพอกลับมาเสร็จแล้วรบบเดินตามหลังไปอีกเดินไปเดินตามหลังผมมาพอไปเห็นสระน้ำจุกข้างทาง อ, อ, อาจารย์ลงน้ำเลยอาจารย์ลงน้ำเลยซิไม่ต้องนั่นหะเดินลงไปเลย อาจารย์ก็มีทั้งผ้าจีวรผ้าสังฆาฏิยังคลองอยู่อาจารย์ก็เดินลงไปในน้ำอเดินซ่วมๆลงไปพอผ้าจะเปียกเนนน้อยกิเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาขึ้นมาพอละแต่เขาไม่ได้ถามเหตุผลว่าทำไมให้ลงน้ำทำไมให้ขึ้นมาเนนน้อยก็ไม่บอกอาจารย์ก็ไม่ถามทำเนนน้อยก็รู้ว่าอาจารย์หมดทิฏฐิมานะสอนอะไรเข้าไปคงจะรับทั้งหมด เนี่ยพระหานท่านฉลาดถึงขนาดนั้นนะถ้าจะว่าไปแล้วนอกเหตุเนื้อผลพวกเราคาดไม่ถึงปุตุิชนทั้งหลายคาดไม่ถึงว่าท่านต้องการอะไรที่ท่านบอกนะเข้าป่าล ง, ล ง, ลงน้ำท่านเหนือกว่าปุตุิชนท่านต้องการอะไรเนี่ยท่านต้องการเพียงแต่ว่าที่เราบอกไปเนี่ยยอมรับไหมถ้ายอมรับทุกอย่างที่เราบอก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 สอนธรรมะไม่เข้าเพราะมันปิดหมดแล้วในใจเน่เพราะนั้นเนนน้อยไม่ใช่ธรรมดานะเนนน้อยพระหานตจากนั่นก็พอเข้าป่าเสร็จเรียบร้อยรงน้าเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ทาตามหมดอ่ปะป่ะอาจารย์ไปก็ไปนั่งอยู่ที่หนึ่งเป็นที่สบายเนนน้อยก็ทอธิบายธรรมะอะไรอาจารย์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 เอาไว้เนี่ยจากนั้นเขาพยายามลงไปหารูดักให้ได้ถ้าเมื่อขุดลงไปถึงรูดักแล้วก็จับเฮียตอนนั้นได้อาจารย์อาจารย์พอเข้าใจไหมที่ผมพูดอาจารย์เข้าใจเข้าใจสมเด็จเข้าใจอ้าวไปถ้าเข้าใจแล้วก็ไปไปพิจารณาปฏิบัติาอาจารย์นะเน่นน้อยสอนเพียงแค่นั้นละ่ะ ก็หันหลังให้กันจากนั้นพันก็เป็นนั่งภาวนาพิจารณากําหนดคือร่างกายนี่คือจอมปลวกร่างกายของคนเราเนี่คือจอมปลวกเหี้ยใหญ่นั่นคือใจมันออกทางตาทางออกทางหากินของมันตาไปเห็นรูปเป็นยังไงเกิดความเกลียดความโกรธความรักความชังราคะโทสะโมหะเพราะตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียง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 เนียนนุ่มเป็นยังไงเสียงเหล่านี้มันเป็นหนทางของเหี้ยใหญ่ออกไปหากินทั้งนั้นประตูของเหี้ยใหญ่ผะนั้นให้ปิดประตูอย่าไปรับรู้ทางตาตากรสักว่าตาเห็นแต่รูปกรสักพ่รูปหูกรสักว่าหูเสียงกรสักว่าเสียงสักแต่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถสัมผัส เพียงแต่สักว่าเ น, านาี่ยะทีนี้กับพอมันออกไปก็จับตัวผู้รู้ได้เท่าหจับใจได้จับตัวผู้รู้ได้ในขณะนั้นทราบว่าพระพุทธเจ้ารู้พระวระจิตของท่านโพธิรัต ท, ท่านก็เพ่งอำนาจกระแสจิตมาสอนอีกท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระอระหรันต เป็นผู้แตกฉานในอดในธรรมแตกฉานในพระไตรปิฎกแนะนาสั่งสอนญาติโยมพี่น้องประชาชนเป็นผู้แก้วกล้าอกอ ง, งอาจกล้าหาญองค์เนึ่งเพราะท่านชำนาญอยู่การสอนอยู่แล้วนี่นะเป็นกำลังในพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งในเมื่อได้ทั้งทางนอกได้ทั้งทางในบ้านางในของท่านก็เป็นพระอรหรันต์้างนอกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญรอบรู้ ในการสั่งสอนแก่สานุสิตทั้งหลายนี้แหละถ้าจะว่าไปปริยัตที่ท่านปูริทิรัตท่านเรียนก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าช่วงยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ปริยัตของท่านก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเผลยังเป็นพิษเป็นภัยสําหรับเท่าตัวของท่านอีก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 เสนาสนะสับปะยะถ้าเป็นพระสงฆ์นะคือว่าหาเสนาสนะที่จะปฏิบัติน่ยต้องเป็นที่สงบพอสมควรก็ไม่ถึงกับว่าสงบจนเงียบป่ารงพงไพ่จึงค่อยปฏิบัติก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราจะนั่งอยู่ในรถในราเราจะไปที่ไหนก็ตามแต่เป็นมุมที่สงบพอสมควรไม่ใช่วันเสียงดนตรีหมอลำขับล่องแสบแก้วหูจัดแจงจะไปนั่งภาวนา มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แปลว่าสถานที่อย่างนั้นไม่เหมาะที่จะปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่วุ่นวายเป็นสถานที่ขัดข้องไม่ไม่ใช่สถานที่สงบงบเงียบแต่ถ้าว่าเรานั่งในรถหรือนั่งไปในสถานที่ใดเป็นสถานที่สงบสงบพอสมควรเราขอกำหนดภาวนาหรือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่ไหนก็ได้ ว่าเป็นที่เหมาะสมก็คืออยู่ในที่สงบหลีกเร้นอยู่ในป่ารงพงไพ่อย่างที่พระพุทธเจ้าพระหันจ้าวกหรืออูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆที่ท่านเขียนในประวัติของท่านอยู่ตามลําพังอยู่ที่แจงกล้อมฟางป่าโรงพงไพ่เงื่อเห็นเงื่อนผาอยู่ตามถ้าตามลําพังหรือว่าอยู่ในอย่างวัดป่าของเราจะอยู่กุฏิสง บ, งบเงียบที่หลบที่เล้นมี ทั้งหมดไม่เป็นที่คลุกคลีวุ่นวายกับหมู่กับคณะเป็นสถานที่สงบในเมื่อเห็นถสถานที่สงบแล้วเราจะทำอย่างไรแต่ถ้าว่าเราจะพักผ่อนนอนในสถานที่สงบนั้นอย่างที่พวกเรามาพักอยู่วัดป่าอย่างเนี้ยเราก็เสร็จแล้วเราก็ไหว้พระกราบพระหัน กลาวไปทางที่ศีรษะของเราหันไปทางไหนแล้วก็กลาบไปทางนั้นะกล่าวไปลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงเราจะไม่มีพระพุทธรูปแต่ใจของเราระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกขนทุกแห่งคืออยู่สรุปแล้วก็คืออยู่ในใจของเราที่เราระลึกถึงอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ะเราไปถึงถึงท่านยาังกลาบท่านไม่ใช่เรากระกาบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อกับแม่อยู่ที่ตัวของเรา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 แต่ท่านไม่ไม่ได้บริกรรมพุทธโธนะแต่พวกเราเอาพุทธโธเขาอีกเพื่อจะให้มีหลักยึดในการภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ให้ส่งจิตไปทางอื่นถ้ามันเผลอ พ, พับไปกระดึงกลับคืนมาพยายามบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะนั่งนานไหมอันนี้ก็คือมีคําพูดถามมา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 เว้นเสียตล่ละเพราะงั้นเถอะตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อหลับหมดสิตเพราะงั้นเถอะยืนเดินนั่งอริยบทสี่เป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะการภาวนาและการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้พวกเราเร่รับภูรับ ร, รบาบแล้วก็ ในภาคปฏิบัติเนี่ยตามตํำรับตาราเลยเนี่ยท่านปูธีรัตน์กับเนรน้อยเนี่พวกเรากคงจะรู้ได้ว่าจอมปลวกนั่นคืออะไรตัวเฮียตัวเงินตัวทองนั้นคืออะไรก็ได้รู้แล้วเนะี่ยมันคือใจอาศัยกายอยู่กายอาศัยใจใจอาศัยกายถ้าใจของเราออกจากร่างกายร่างกายไปอยู่ไม่ได้เน่าเฟะคนตายแล้ว เพราะน้่ใจก็ต้องอาศัยร่างกายตัวนี้เป็นอยู่อย่างพวกเราที่หลวงพ่อกำลังพูดนะก็คือความรู้ทางใจอาศัยกายออกมาเป็นเครื่องขยายเสียงแต่เครื่องขยายเสียงเสียเนะี่ยหลวงพ่อจะรู้อยู่ก็าตามแต่มันพูดไม่ออกเพราะเหตุใดพวกเครื่องขยายเสียงมันเสียอันนี้ก็คือมีใจอยู่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 ทำทุกทำยากกระฟัดกระเฟืดหลายเลี่ยหลายเหลี่ยมหลายสัรหลายคมยี่เหล่ราะโทสะโมห oh ะอยู่ในใจทั้งหมดผลนั้นหลักพระพุทธศาสนาหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงให้เน้นลงจูดที่จิตใจเพ่งลงที่จิตใจเอาความสาคัญเข้าสู่จิตใจจับจิตจับใจเอากรรมาฐานจับดูความเศร้ามองความผ่องใส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 ปกครองลูกน้องไปยังไงเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเห็นแก่ตัวเห็นแก่พักเห็นแก่พวก อ, อะไรที่เป็นของตัวเองนละ้เอาหมดอันนี้แปลว่าหัวหน้าไม่ได้ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับ ไ, ได้รับการอบรมให้มีศีลธรรมใจของเราก็เช่นเดียวกันนะั่นแ่ะ ทางว่าเอาศีลธรรมเข้าอบรมทางจิตใจและจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจของเรามีสติมีปัญญาจิตใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นผ่ า, ารหัสแล้วนั่นหละจิตใจนั่นแหะเป็นจิตใจที่สงบสุขที่สุดปล่อยออกไปที่ไหนก็เป็นธรรมไม่มีคำว่ารูปหน้าป่าจมูกไปที่ไหนเป็นธรรมทั้งหมดอบรมแะนะนาสั่งสอน ผู้ใดก็ตามเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมชื่อตรงที่สุดเนี่ยผู้ที่หมดกิเลสแล้วถ้าหาว่ายังมีกิเลสอะไรอยติสี่มันต้องมีนะไม่มากก็ต้องน้อยแหละว่าวงั้นเถอะันท้ากติโทสากติโมหกติพยาคติอรักเพราะเหตุไรพยาคติก็พเพรวกโทสากติ อคติสี่ไม่พอใจเพราะความโกรธความอะไรความรักอะไรมันมีครบทั้งหมดนั่นเพราะนั้นถ้ามหมดถ้าเป็นพระอรหันตะ์หมดวพราะงั้นแต่สิ่งเหล่านั้นพูดตามความเป็นจริงมีอย่างไงพูดอย่างนั้นเป็นธรรมอย่างไงพูดอย่างนั้นตามเนื้อผ้าตามเหตุตามผลเพราะนั้นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่น่ากราบไหว้สักการบูชา พระหันอยู่มีกับทุกพร้อมมีอยู่พร้อมที่จะมีอยู่กับทุกคนทางว่าผู้นั้นปฏิบัติได้ mm hmm. พระหัน mm hmm. อยู่กับพวกเราได้ทางว่าพวกเราทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจ mm hmm. แต่ทางว่าเราไม่ชำระก็นี่แหละเราก็เป็นปุถุชนแต่ทางว่าเราชำระใจของเราได้เราก็เป็นพระหันแต่ร่างกายเหมือนเก่า mm hmm. เหมือนเก่า